พระพุทธเจ้าท่านท่านตัดเตือนพวกเราไว้นะว่าถ้าเราเห็นสิ่งต่งตางๆแล้วก็ไปหลงกับมันนะก็คือไปมีความพอใจนะกับเขาเนี่ยแส่งว่าเราโดนมานก็หลอกแล้วนะเราเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีความชอบเห็นเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลอันนี้คือเราก็โดน โดนมารเขาเขาจักจุงอารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์ทางทวารทั้งหกเส้นตาตาเห็นรูปนะเห็นรูปก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจแล้วก็ไปติดที่รูปนั้นอันนี้แหละคือเราโดนมารเขาเขาดอกลนะหมูได้ยินเสียง เสียงนั้นเกิดความพอใจกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตเราดอกก็ไปติดความพอใจความไม่พอใจนั้นอันนี้ก็โดนเร่ยว่าโดดมานเข้าลอกละท่านอื่นก็เช่นเดียวกั น, นทางริ้ น, นทางกายทางการรับรู้ต่างแล้วที่สาคัญก็คือทางใจนี่แหละทางใจการที่ใจคิดนึกปรุงแต่ง แล้วก็เราก็ไปติดใจในอารมณ์ที่เราคิดนึกปุ่งแต่ง น, นั้นน่ะก็คือเรามีเรามีความพอใจเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ทันเราก็ไปติดหรือว่าไปลงไหลไปกับมันอันนี้นะ่เรียกว่าคือจะพูดตรงหลวงคือการที่เราไม่สำรวมอิ c, นทะรีย์อินทรีย์ไม่สำวร การภาวนานี้อินทรีย์สังวรนี่เป็นสิ่งที่ที่สําคัญแต่การอินทรีย์การมีอินทรีย์และสังวรนี่ไม่ใช่ว่าเราปิดตาปิดหูหรือว่าปิดการรับรู้หรือว่าปิดพยายามไปปิดความคิดไม่ใช่นะอืคือในการฝึกให้อินทรีย์และสังวรก็คือฝึกในการแค่รู้เท่าทันการรู้เท่าทันว่า ตากระทบรูปแล้วเนกะิด <c oughs> ความรู้สึกอย่างไรขึ้นในใจนะเรารู้ทันแล้วก็ตัดความพอใจหรือความไม่พอใจอตรง น, นั้นหูได้ยินเสียงเกิดความชอบหรือความไม่ชอบเกิดขึ้นในจิตใจเรารักความชอบความไม่ชอบนั้นออกจากจิตใจหรือจิตใจคิดนึกนะจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เกิดความพอใจหรือความไม่พอใจขึ้น เราละที่ตรงนั้นอันนี้คือเรียกว่าเราได้สํารวมแล้วในอินทรีย์ไม่ใช่การไปปิดกัน้นหรือว่าเป็นการไม่ไปรับรูนะ้แต่ในสิ่งบางอย่างที่มันไม่จำเป็นไปรับรู้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปรับรู้มันก็ไม่ได้ก็ดีเหมือนกันเป็นการสํารวมนะ่นะสัารวมถ้าเรามีสติมากขึ้นเนะี่ยเราเราจะเราจะรู้ลยว่าพอกระทบแล้ว จิตใจรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะมันก็จะตัดได้แต่บางครั้งก็ไม่ต้องสงสัยนะบางทีมันกระทบแล้วมันก็เฉยเฉยก็มีนะมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องพอใจหรือไม่พอใจทุกครั้งไปหรอกนะบางครั้งมันก็เฉยนะเหมือนบางครั้งเราเห็นต้นไม้แล้วก็เฉยเฉยนะเห็นหมาบางทีก็เฉยบางทีก็ไม่เฉยนะบางทีก็ราคาญบางทีก็ชอบ นมันก็เห็นนะว่าจิตใจเนี่ยนะมันเอาแน่ไม่ได้นะตากระทบรูปอย่างเดียวกันนั่แหละแต่บางทีเราก็มีความรู้สึกแตกต่างกันไปเช่นตาเรากระทบกับคนน่ะบางครั้งน่เพื่อนเพื่อนเราน่ะหรือผู้ชีวิตเราบางทีเรากระทบแล้วบางทีเราก็รู้สึกชอบบางทีก็รู้สึกเฉยบางทีก็รู้สึกน่อแตกแต นั่นก็มันเป็นเรื่องที่เอาแน่อานอนไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันธรรมะเขาสอนเพื่มความไม่เอาแน่อนอนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ไดนะ้อาหารที่เราเคยทานแล้วก็รู้สึกชอบนะวันนี้ทานแล้วรู้สึกชอบวันพรุ่งนี้ทานอาจจะรู้สึกเฉยวันต่อไปถ้าทานมากขึ้นอาจจะรู้สึกเบื่อหรือไม่ชอบเลยก็ได้ สั้งทั้ที่อาหารก็รสชาติเดียวกันกิริยาก็คือการกา ร, การทานกิริยาเดียวกันแต่ความชอบความไม่ชอบหรือความเฉยมันเกิดขึ้นแตกต่างกันหรือบางทีมันอาจจะถีกันนั้นก็ได้นะในแต่ละคําที่เคี้ยวจิตใจก็รู้สึกแตกต่างกันไปอันนี้คืออะไรคือธรรมะข้อสอนสภาวะธรรมที่มันแสดงตัวตนให้เห็น ถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นทางทางกายแล้วก็ส่งมาถึงทางใจอันนี้เราฝึกเพื่อให้มีสติรู้ทันอันนี้อันนี้เรียกว่าเราฝึกให้รู้ทันในการกระทบต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการฝึกที่เรียกว่ามีสติแต่ก็ต้องระวางว่าการที่เราจะฝึกรู้ท่าทันความคิดหรือว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม สิ่งที่ต้องระวังคือว่าอย่าไปถล่มในการจ้องหรือว่าเพ่งหรือว่าคอยที่จะรู้ผมหรือว่าอาจมาเนี่ยก็เคยผิดตรง น, นี้มาพอสมควรพอเราเรามีความแล้ว เ, เคยได้ยินได้ฟังเรื่องการสอนเรื่องการดูจิตถ้าเราก็ชอบนะบางทีเราก็สิ่งที่เราทำพลาด ค, คือเราไปคอย คอยจ้องดูความคิดจ้องดูอารมณ์จ้องดูว่าเมื่อไหร่มันได้คิดคิดขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้ให้มันเร็วๆหรือว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นมาเราก็จะนะจะต้องรู้ให้มันแบบชัดๆเร็วๆะจิตใจแทนที่จะคอยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันจิตใจก็ไปคอยไปเฝ้าดูความคิดไปเฝ้าดูอารมณ์น ตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นการดูความคิดเป็นการดูจิตแต่แท้จริงแล้วพอ่พอกลับมาทบทวนพอมาดูจริงแล้วมันเป็นการไปคอยจ้องไปจ้องดูอารมณ์ไปจ้องดูความคิดนะี่ไม่ใช่ไม่ใช่การมีสติแต่เป็นการที่เรียกว่าเราเผลอเราเผลอไปคอยจ้องดูทันนั้นการการที่เราคอยสังเกตรู้ทันอารมณ์หรือความคิดนี่ ไม่ใช่การไปคอยจ้องดูนะว่าเมื่อไรจะมีอารมณ์หูมีความคิดเกิดขึ้นแต่วิธีที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกหลักจริงๆก็คือว่านะเราก็ดูการกระทาของตัวเองนั่นแหละนะดูรูปที่มันเคลื่อนที่มันไหวมีกรรมฐานกักอย่างหนึ่งนเะช่นเราเดินจงกมเราก็ดูการเดินจมกรมเป็นหลักเรา ยกมือสร้างจังหวะหรือว่าเราดูลมหายใจเราก็ดูกรรมาฐานหลักของเราเนั่นแหละเมือ่อเมื่อตากระทบรูปเมื่อหูได้ยินเสียงหรือเมื่อใจคิดนึกปุงแต่งวอมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมา <c oughs> มันจะแทรกขึ้นมาของมันเองแทรกขึ้นมาระหว่างในฐานที่เรารู้ตัวกับการเดินรู้ตัวกับการนั่งรู้ตัวกับกิริยาต่างๆที่เราทำนั่นแหละ กิริยาของจิตมันจะแทกขึ้นมาปรากฏของมันเองนะความคิดความนึกต่างๆมันจะมาแทกเองเนี่ยวิธีถ้าเราดูแบบเนี้ยจะเป็นวิธีการดูที่ที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปคอยถลําหรือว่าคอยจ้องที่จะดูความคิดดูจิตใจแต่เราดูกายในกรรมฐานดักไปเรื่อยๆนะเห็นกายเป็นเป็นพื้นฐานไว้ เห็นกลายเป็นที่ตั้งถ้าระสาหลวงพ่อคาเขียนก็บอกดูเป็นเป็นบังเกอร์บังเกอร์ป้องกันข้าศึกยิงมากระทบก่อนเมื่อเราจะไปยิงเขาเราก็ออกจากบังเกอร์ไปยิงเขาอันนี้ก็เหมือนกันเราดูกายมีกรรมฐานหลักเป็นเป็นหลักให้เรารู้ตัวต่อเนื่องไปเรื่อยพอความคิดพอลมมันเกิดขึ้นเราก็จะเห็นมันเห็นแล้ว ถ้าสติเรามีกำลังพอนะความคิดอารมณ์คนนั้นก็จะตกไปทันทีนะหลือใจเราเป็นกลางเราใจเราตั้งมั่นเราก็แค่รู้ว่ามันคิดแล้วก็ไม่ไปปรุงต่อนะหรือว่ารู้ว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ไปหลมพอใจหรือไม่หลงไปนะไม่พอใจต่อมันก็จบลงไปนะเมื่อความเมื่อนานมาทํามันจนลงไปมันก็เหลือแต่รูปธรรม ท, ที่มันเคลื่อนไหวอยู่สติก็คอยตามรับรู้นะ การเคลื่อนไหวหรือการกระทําต่อไปนะี่ถ้าเราถ้าเราดูแบบนี้มันมันก็จะเรียกว่ามันก็จะปลอดภัยมากแล้วก็ถูกหลักเราก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งเวทนาเห็นทั้งความจิตจิตแล้วก็หรือว่าบางทีก็เห็นกระบวนการทอารมณ์ที่มันปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆการภาวนาในแนวสติปัทานนะ แม้เราจะเริ่มต้นด้วยกายานุปัฏนากสติปั ฐ, ฐานมีสติเห็นกายเคลื่อนไหวนะให้เป็นพื้นฐานไว้แต่เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยหรือจิตตาอาการที่เกิดขึ้นกับจิตนะหรือว่าท ร, ร ม, มานะกระบวนธรรมะที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนะระหว่างลูกกับนามนะ มันก็แสดงให้ปรากฏให้เห็นต่อเนื่องไปเรื่อยนะเห็นแทรกเข้ามาได้เรื่อยนะที่จริงสติประธานเนี่ยนะแม้จะมีสติในฐานใดเป็นเบื้องต้นก็แล้วแต่แต่มันจะทําให้เราเห็นทั้งสี่ฐานนะครบทั้งหมดนะวันทีที่จริงเพราะว่าปฏิประธานทั้งสี่เนี่ยมันปรากฏชัดต่อโลกนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วนะ กายก็มีตลอดเวลาเวทนาก็มีตลอดเวลาจิตก็มีตลอดเวลาทรมาก็มีตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าจิตของคนเรามันรับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างมันรู้ได้ทีละอย่างเพราะนั้นมันก็สามารถรับรู้ได้ทีละอย่างเท่านั้ น, นแม้จะมีทั้งสี่สี่หมวดกลางนี้ปรากฏขึ้นต่อโลกนี้พร้อมกันแต่เราไม่สามารถรับรู้อารมณ์ด้พร้อมกั น, น เหมือนกับปากของเรานี่ยนะมันสามารถทานอาหารได้ทีละคำเท่านั้นมันไม่สามารถทานอาหารที่เดียวพร้อมกันหมดทั้งจานได้นะเราก็ต้องรู้อารมณ์ไปทีละอย่างเท่านั้นอันนี้คือการที่เราคอยมีสตินะกับฐานใดทานหนึ่งเป็นหลักมันก็จะทําให้เราไปเห็นฐานอื่นๆได้ความมันเองนะแต่ต้องต้องระวังคือไม่ต้องไปจมใจในการ เฝ้าดูหรือว่าคอยเส้นดะูให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดนี่แหละนะทำสบายๆนะทำสบายๆรู้กายที่เคลื่อนไหวสบายๆนี่แหละนะถ้าเรารู้แบบสบายๆ ส, สติมันกนะ็มันก็จะคล่องตัวแต่ถ้าเราเช่นจ้องที่กายนะมากเกินไปสติมันก็จะไม่คล่องตัว ที่จริงมันก็ไม่เกิดส ต, ติได้ซ้า ม, มันพอคอยจ้องเพ่งที่กายนะมันก็จะไม่ค่อยรู้อย่างอื่นมันจะเด่นชัดแต่กายแต่มันจะไม่เด่นชัดหรือมันจะไม่คล่องแคล่วในการไปรู้ทันอารมณ์หรือความคิดแต่เราให้รู้กายนะไปแบบเป็นผู้ดูนะห่างๆนะพออารมณ์ความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็จะเห็น เพราะว่าหลักสำคัญที่แท้จริงของการภาวนาเนาะมันต้องเห็นส่วนที่เป็นนามนธรรมด้วยนะเราเห็นส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือกายที่เคลื่อนไหวกายที่หยุดนิ่งเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างสติเพื่อเป็นการ ส, า ร, นะสร้างสมาธินะสติคือความรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิคือความจิตใจตั้งมั่นจิตใจมั่นคงเราสร้างตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อให้เราได้มีหลักนะแต่แท้จริงแล้ว เหมือนกับที่บังเกอร์ที่เราบังฆาสศึกนะเราจะแอบอยู่แต่ในบังเกอร์มันก็ค่อนข้างปลอดภัยแต่ไม่สามารถกำจัดฆาสึกได้ไม่สามารถกำจัดศัตรูไดนะ้เหมือนเรากลัวนะบางทีบางคนภาวนาแบบกลัวกิเลสกลัวความคิดนะก็จ ะ, ะกำหนดในกรรมาฐานมันชัดเจนมากๆเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องมีความทุกข์ รู้สึกปลอดภัยดีแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นการภาวนาแบบขี้ขาภาวนาแบบกลัวกิเลสเกิดขึ้นแต่จริงเราภาวนาถ้าเรารู้ตัวแบบสบายสบายสบายสบายเนาะแล้วก็พอความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นเรารู้ทันนั่นแหละเหมือนเราออกไปยิงฆ่าสึกเราจัดการฆ่าสึกได้ทีละตัวนะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าอารมณ์นั้นมันจะ มันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเนาะมันเป็นธรรมชาติที่มันผุดในจิตใจของเราเนี่แหละนะอะไรที่มันหมักหมมไว้ในจิตในใจนะอะไรที่มันฝังตัวไว้ยาวนานถ้าเราปล่อยให้เขาแสดงขึ้นมานะมันก็มันก็เราจะได้เห็นเห็นตัวเห็นตเนตเห็นกิเลสตัณหาจริงๆที่มันฝังอยู่ในจิตใจเนี่แหละนะปล่อยให้มันแสดงเลยนะ แสดงแล้วเราค่อยดูเนี่ยมันจะเป็นการถอนรากถอนโคนกิเลสทีละตัวทีละตัวไปนะะอันนี้แหละคือตัวปัญญาปัญญาคือการที่เราเห็นว่านสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนมันเกิดขึ้นของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันนแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราหรอกนะมันเกิดขึ้นมาของมันเองเมื่อเรารู้ทันแล้วมันก็ดับไปของมันเองนะ มันมีแต่เหตุมีแต่ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นนะแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะะสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะมันไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงแค่อาการของจิตนะแต่จิตเดิมแท้แล้วมันสะอาดมันบริสุทธิ์อยู่แต่กิเลสเนี่ยเป็นแค่สิ่งแปดเปื้อนเป็นสิ่งปลอมปนเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นมนะเราเราจะมีปัญญาในการรู้ทันเออ เห็นว่าจิตมันเผลอไปคิดนะแต่มันแต่ความคิดนั้นมันก็ไม่ใช่จิตมันไม่ใช่เรามันจะเห็นอาการนะี้นะแม้แต่เราเห็นกายที่เคลื่อนไหวก็เห็นว่ากายนั้นเป็นเป็นเหมือนวัตถุเหมือนเหมือนก้อนธาตุหนึ่งที่มันเราเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตนะเป็นก้อนธาตุหนึ่งที่เคลื่อนที่ไหวมันจะรู้สึกถึงความห่างนะระหว่างระหว่างจิต กับรูปนะทีม่มันเป็นคนจะส่วนกันเออจิตทําหน้าที่เพียงแค่รับรู้นมีสติคอยรู้รูปก็เคลื่อนไหวก็แสดงอาการต่างๆไปออจิตใจพอเผลอไปคิดก็เช่นเดียวกันนะ่มันก็มันเผลอไปก็มีจิตที่มีสติคอยรู้ทันอีกทีหนึง่งออมันก็มันก็มันก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้อันนี้แหละคือการที่เรา มีสติในการรู้เท่าทันในทวารทั้งหกนะในทวารทั้งหแลวอย่างหนึ่งที่สำคัญในการภาวนาเนาะนะไอการปฏิบัติแบบนี้มันถูกนะมันถูกต้องแต่เราก็ต้องอะไรอย่าไปอยากให้มันถูกตลอดนะหรือว่าอยากใช้ดีตลอดหรือว่าอยากจะให้มันรู้ตลอดนะความอยากตอนนี้มัทีมันก็จะมาแทะในขณะที่เรา ภาวนาดีๆนะตอนที่รู้เนื้อรู้ตัวดีๆรู้ทันอารมณ์ความคิดดีๆเนี่ยมันทีพอมันมันได้ดีแล้วมันก็จะมีความอยากที่จะให้มันเกิดบ่อยๆนะหรือว่าอยากจะประคองหรือรักษาอาการเช่นนี้ไว้นะเราก็ต้องรู้ทันนะไม่งั้นแทนที่มันตอนแรก ม, มันรู้ตัวสบายๆอยู่แล้วมันกลายเป็นเผลอไป ไปเพ่งไปจ้องบ้างเผลอไปประคองบ้างนะเผลอไปชอบอารมณ์ตัวนั้นบ้างนะเราต้องรู้ทันนะต้องทำแบบรู้แล้วทิ้งรูแล้วทิ้งนะอย่าไปรู้แล้วติดอย่าไปรู้แล้วชอบดนะูแล้วก็ทิ้งไปนะมันดับไปแล้วเราก็สร้างขึ้นใหม่รู้ตัวใหม่นะไม่ต้องกังวลนะว่าว่ามันจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะไม่ต้องกังวล ธรรมชาติเขาแสดงปรากฏการแบบไหนจิตใจเราที่เป็นกลางกับมันนั่นแหละอันนั้นแหะคือสิ่งที่ถูกนะถ้ายังไปเผลอชอบเผลอไปไม่ชอบกับมันนั่นแสดงว่าเราผิดแล้วนะอาการดีเกิดขึ้นเราเผลอไปชอบเขานะอาการไม่ดีเกิดขึ้นเราเผลอไปไม่ชอบเขาอันนี้ใจไม่เป็นกลางแล้วแต่ใจที่มีสติตั้งมั่นในจริงเนาะอาการปรากฏการเกิดขึ้นมันดีเราก็รู้ว่ามันดี แต่ก็นไม่ไปยึดมันไว้อาการนั้นมันไม่ดีนเราก็รู้มันไม่ดีแต่เราก็ไม่ไปลงยึดเขาไว้อันนี้แหละจิตมันเป็นกลางจิตมันตั้งมั่นเราคอยดูแบบนะเราถ้าเราอยู่แบบเนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันเราจะอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราอยู่กับความย่อชอบความไม่ชอบหรืออยู่กับความอยาก มันก็จะไปพยายามไปยึดสภาวะที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ให้มันต่อไปเรื่อยๆ อ, อันนี้คือมันมีความอยากเข้ามาแทรกนะบางทีเราก็ต้องดูดีๆบางทีในความอยากมันก็ยังมีความรุ้นนะรุนนะหรือบางทีก็มีความสงสัยนะเช่นสงสัยพอสภาวะเป็นเช่นนี้มันรู้ตัวดีๆต่อเนื่องไป บางทีมันก็จะสงสัยมันใช่ในสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาไหมเนะี่ยในสภาวะอารมณ์ต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยว่าไว้เนยะมันแยกรูปแยกนาเป็นแบบนี้ไหมเนะี่ยสภาวะต่างๆเนะี่ยรูปโลกนามโลกรูปทุกข์นามทุกข์เป็นแบบนี้ไหมบางทีมันก็จะมีทิษดีเนะี่ยมามาเทียบเคียงนะ มันก็ทำให้เราหลงไปอีกแบบหนึงเหมือนกันนะ น, นั้นทฤษฎีที่เราเคยฟังเคยเรียนมาเนี่ยวางไว้เล ย, เลยขณะที่รู้สึกตัวนะถ้ามันเผิอไปเทียบเคียงเนี่ยสแสดงว่ามันเป็นตัวหลอกอย่างหนึ่งล ะ, ะมันเป็นอารมณ์วิตกวิจารอารมณ์สงสัยขึ้นมาในจิตในใจนะ ม, นมันก็แอบมันก็อดไม่ได้ที่อยากจะไปรู้อยากจะไปเทียบเคียงอันนี้ให้เรารู้เท่าทันเลยนะ มันความสงสัยเกิดขึ้นแล้วในจิตอาการวิตกวิจารณเกิดขึ้นแล้วในจิตนะให้เราวางมันไปวางมันไปเลยะกลับมารู้ตัวกลับมารู้ในการกระทําตรงนั้นเลยนะมันก็จะวางได้มันก็จะทิ้งได้หรือบางทีเราก็จะคอยรุ้นนะบางทีมันก็แน่ชัดแล้วแหละว่าสิ่งที่เดินมามันถูกมันต่อเนื่องเรื่อยะจิตบางทีมันก็จะรุ้นที่จะอืม เดี๋ยวมันก็จะได้ละเดี๋ยวมันก็จะได้ละเดี๋ยวมันก็จะดีละเดี๋ยวมันจะทะลุแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกแล้วเนี่ยบางทีจิตมันก็จะมีอาการพวกนี้ลุ้นเข้ามาแทรกในในสภาวะอารมณ์นะเราก็ต้องรู้ทันนะโออมันมีสิ่งแปลกปลอมแทรกเข้ามานในการรู้ละนะรู้แล้วก็ไม่ให้รู้เฉยเฉยรู้พร้อมกับลุ้นด้วยนะเหมือนเราเหมือนเราเชียร์ เชียกีลาหรือเชียอะไรก็แล้วแต่นะเราไม่ได้เป็นเพียเป็นแค่ผู้ดูแต่เราทาดูด้วยทงรุ้นไปด้วยนะจิตมันเกิดความจิตมันก็อะไรมันก็เสียความเป็นกลางนะอันนี้เราก็ต้องมีความแยบยในการรู้เท่าทันอารมณ์นะอันนี้เป็นเรื่องของถ้าเราภาวนานะมันจะมีปรากฏการณพวกนี้ปรากฏขึ้นมาให้ได้เห็นนะให้ได้เห็น่นะ แต่ถ้ามันยังไม่เห็นในสิ่งที่อาตมาพูดในวันนี้หรือว่าในอดีตที่เราเคยผ่านนะก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดรงไ ส, ม, สนะมันอาจจะยังไม่เกิดนะแตนะ่แต่มันก็มันก็เป็นทางผ่านที่ที่ต้องเกิดขึ้นมาแน่แหละนะหรือว่าบางคนอาจจะเกิดมากหรือว่าเกิดน้อยไม่เหมือนกันนะมันก็มันก็ไม่เป็นไร แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวผิดนะหรือว่ากลัวไม่ดีนะมันผิดทุกคนนะั่นแหละนะผิดทุกคนนะอลมลุกโคาคารกันทุกคนนั่นแหละไม่มีใครสามารถทาถูกได้ตลอดนะแต่มันผิดแล้วเราจะรู้ตัวแล้วก็กลับมาสู่ทางหลักได้ได้เร็วเท่าไหร่ยังไม่เป็นเรื่องที่แต่ละคนสติปัญญามันมันต่างกันนะถ้าใคร รู้ตัวว่าหลงไปได้เร็วอันนั้นแหละก็จะกลับมาได้เร็วเหนะมือนเราเดินป่านะเรารู้ตัวว่าเราหลงป่าเราหลงเพื่อนแล้วเราก็จะหาทางกลับมาหาเพื่อนมาหาสู่ทางที่จะออกจากป่าได้อันนี้แหละเนะคือเราก็จะไม่หลงทางไปไกลไม่ตเตลิดเปิดเสิ่มไปไกลการภาวนาก็เหมือนกันนะอย่าไปปลัวความหลงมันหลงแน่นอนแหละนะกิเลสตัณหานี่มัน มันฉาดมันมันมาล่อให้เราหลงมาหลอกให้เราหลงอยู่บ่อยๆอย่าไปกลัวความหลงเราทาหน้าที่รู้ทันความหลงไปเลยเวลาจิตมันหลงไปชอบหลงไปชังเรารู้ทันมันจะกลับมาถูกทางเองการภาวนาเนี่ยนะไม่มีใครทําถูกได้ตลอดอมีแต่ถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่า เราจะรู้ตัวหรือว่าเราจะหลงตัวบ่อยกว่ากันแค่นั้นนะรู้ตัวเมื่อไหร่ก็แสดงว่าถูกทางแล้วนะลืมตัวเมื่อไหร่ก็แสดงว่าหลงทางแล้วทนะอันเนี้ยเราก็เิ็นแต่ ว, ว่าเรารู้ทันเวลามันหลงนะให้มันให้มันได้มากมานะให้มันได้เร็วเร็ว น, นี้แต่ก็ยังว่าอย่างที่บอกไม่ใช่เป็นการคอยจ้องนะ่ะ เพราะว่ากลัวมันจะด่งไปนานนะแต่ทําให้สบายๆนี่แหละนะรู้ตัวในการเคลื่อนไหวสบายๆนี่แหละนะน้อยก็เป็นฐานที่ตั้งทําให้เรามีสมาธิมีสติมากขึ้นพอมันโด่งไปความที่สติมันมันเร็วความที่สมาธิมันตั้งมัน่นมันจะกลับมาได้เร็วของมันเองนะเหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้ต้นที่เล็กๆเนาะพอเจอดม พัดนะมันก็จะเอนเหมือนบางทีก็จะล้มไปเลยบางต้นรากไม่ไม่ยั่งรึกก็ล้มไปเลยนะแต่พอสติสมาธิของเรามันมีมากขึ้นนะมันเหมือนต้นไม้ที่ต้นมันโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะต้นไม้นะพอโดนลมพัดนะต้นที่กลางๆ ก, ก็อาจจะโดนลมพัดเอนไปนิดๆหน่นนนอยๆ แล้วก็กลับมาเป็นปกติตั้งมั่นได้เหมือนเดิมแต่ถ้าต้นไม้ที่ใหญ่นะลาต้นนี้เขาเขาตรงหรือว่าแทบไม่หวั่นไหวเลยอาจจะมีไหวไปบ้างก็แค่ใบแค่ดอกนะอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเราที่ฝึกดีแล้วนะนะเจอสิ่งที่กระทบนะมันก็จะไม่กระเทือนนะมันกระเทือนแต่ภายนอกนะแต่ภายในแล้วมันมันมั่นคงอยู่ ภายนอกเช่ น, นร่างกายนี่แหละคือภายนอกนเจอความร้อนมันก็ร้อนเจอความหนาวมันก็หนาวเวทนาเกิดขึ้นกับกายมันก็มีความเจ็บความปวดนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราเรี่ยงไม่ได้นแต่ในใจเนี่ยมันมั่นคงมันตั้งมั่นอยนู่นี่เป็นธรรมดานะหรือแม้แต่การทำงานาแล้วเราจะไปคิดว่านามันจะต้อง ซื่อๆต้องเฉยๆต้องไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นนะเป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะมีสุขมีทุกข์มีรักมีชังมีพอใจมีไม่พอใจเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละปล่นะอยให้มันแสดงเลยนะมีความคิดเกิดขึ้นนะนะั่นแหละมันเป็นธรรมชาติละนะแต่ถ้าเรามีสติรู้เนี่ยไออาการที่ปรากฏเนะี่มันเหมือนคล้ายๆแค่ใบใบไม้ที่มันไหวนะแต่มันไม่ใช่จิตที่มันไหวนะ จิตใจมันมั่นคงเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่แต่มันดูปรากฏการที่มาแสดงนะเออจิตมันคิดของมันเองเนาะจิตมันรักจิตมันชังของมันเองเนาะจิตมันสุขมันทุกข์ของมันเองเนาะเราก็จะเห็นมันเออมาเป็นเพียงแค่อาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะแต่สติก็คอยดูอยู่ต่างหากอันเนี้ยมันก็จะปรากฏนะในการภาวนาเนาะก็ขอให้เราได้ ไ ด, ได้วางใจให้มันถูกนะการภาวนามไม่ยากนะนะถ้าเราวางใจถูกนะวางใจเป็นกลางมีความตั้งมั่นแล้วก็ไม่หลงไม่ไหลไปกับอารมณ์อันนี้แหละนะเรามีกรรมฐานหลักเพื่อเป็นเป็นหลักในการวางใจนะเป็นหลักในการป้องกันไม่ให้วันไหวไปไกลนะแต่ก็ต้องอย่าไปยึดไปเกาะแต่หลักไว้นะเกาะ หลักพอประมาณจับหลักพอประมาณแต่ต้องให้มันคล่องตัวในการรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ด้วยเพราะว่ากิเลสนะมันเกิดขึ้นที่ใจนะไม่ใช่เกิดขึ้นที่กายดังนั้น ต, ตัวตตรูหลักที่เราจะทําร้ายหรือว่าเราจะประหารมันก็คือนะํนามา ร, รมที่มันแสดงปรากฏการณ์ต่างๆนะแต่ต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆเยนาะ บางครั้งมันไม่คิดบางครั้งไม่มีอารมณ์ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูกายไปเป็นเป็นกรรมฐานหลักไว้อันนี้ก็ก็ฝากาเราไว้นะ